ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอาการหลวงปู่กลมอาจารย์ยูกิอาจารย์ชงศิลป์อาจารย์ ส, าารยสุรินแล้วก็หลวงพี่หลวงน้องจะเดินพรญาติโยมแม่คี่ทุกคน เ, เรื่องธรรมะ วันนี้ถ้าจะพูดก็น่าจะพูดในเรื่องของความไม่เอาไหนของอาตมาก่อนความไม่รู้เรื่องว่าธรรมะเขาเรียนอะไรกันเขารู้อะไรกันแต่ก็ก็สนใจธรรมะเหตุที่สนใจธรรมะก็เพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยทางานเป็นอย่างว่าเป็นนิติกรขององค์การโทรศัพท์สมัยก่อนเนาะตอนหลังก็เป็นทีวทีทำงานตรงนี้มันต้องใช้ความคิด ใช้การตรวจสอบเรื่องพยานหลักฐานอะไรมันมันเยอะในการทํำสานวนอะไรก็ตามทีนี้ด้วยที่ว่าเราทํางานประเภทเนี้ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้กําลังทางกายแต่ว่าเราใช้กําลังความคิดใช้สมองคิด อ, อการทํางานในวันหนึ่งหนงเนี่ยเราคิดกันเยอะพอกลับบ้านเนี่ยงานที่เราไม่เสร็จมันก็คิดต่อ ิดต่อเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาก็หลายปีแก้ไม่ได้ไปหาหมอมันปวดหัวเนาะไปหาหมอหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกคุณคิดมากเราก็รู้หละว่าคิดมากแล้วทายังไงจะไม่คิดมากหมอบอกให้ไปออกกำลังกายเยอะๆก็ออกแล้ววิ่งจนเหนื่อยวิ่งไปมันก็คิดไปอะนะเหมือนกับโยมคิดว่าคือทำอะไรก็ตามนะความคิดมันไม่เคยหยุดแล้วที่มันคิด มากมากก็คือเรื่องงานที่มันค้างอยู่ที่เราคิดกันทั้งวันคิดว่าคงน่าจะมีสภาพคล้ายๆกันนะทีนี้ประมาณตอนหลังก็เริ่มจะหาทางออกว่าเราทำไงเพื่อที่จะให้หยุดความคิดนี้ได้มันทรมานอะ่ะเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ธรรมะเราไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็พี่สาวพี่สาวแนะนำพี่สาวจริงๆเขาก็ปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนะ่ะแต่ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยพี่สาวเคย เคยพูดให้ฟังเรื่องธรรมะแต่เราไม่ได้สนใจไม่สนใจจริงๆเลยเพราะว่าความรู้สึกของเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราดําเนินชีวิตในในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ความเราไม่ได้มีความทุกข์เนี่ยความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความทุกข์อะไรต้องไปปฏิบัติธรรมทั้งทั้งที่เราปวดหัวอยู่ทุกวันนะะ่นแหะแต่เราก็ไม่รู้จักพี่สาวก็เบื้องต้นพี่สาวแนะนําบอกว่าให้ให้ไปอ่านหนังสือธรรมะของ ของท่านพธธาธุทธทาสรู้สึกจะชื่อหนังสือว่าทําจิตให้ว่างหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยก็เล่มไม่ใหญ่หน่าอ่านดีทีนี้เราเราอ่านแล้วมันก็ก็รู้สึกก็โอเคระหว่างอ่านนะมันก็เ อ, อส ง, งบความหยุดความคิดไปได้ชั่วคราวเพราะว่าใจเรามันมีสมาธิกับการอ่านแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าจิตเรามันมันส ง, งบไปแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าเมื่อเลิอกอ่านความคิดมันก็มาอีก คิดทั้งตอนเดินตอนนั่งตอนนอนตื่นมาเช้าเช้าตีสองตีสามตื่นมาเมื่อไหร่มันก็คิดเรื่องงานก็เหนื่อยทีนี้บอกพี่สาวบอกไม่ได้ผลพี่สาวก็บอกงั้นลองยกมือแบบสายหลวงพระเทียนสิถามว่าทำไงพี่สาวก็แนะนํานะแนะนํายกสิบสี่จังหวะอย่างนี้แหละเราก็ลองยกดูยกซึ่งจริงๆเรายกแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นอนะ่ะใช้เวลาน้อยมาก แต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าระหว่างที่เรายกมือสร้างจังหวะตรงเนี้มันไม่ได้คิดเรื่องงานเลยอ่ะแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่ประจักษ์ใจว่าเออมันให้ผลอย่างไรเนาะจนกระทั่งถึงข่าวที่สมัยก่อนก็คือหลวงพ่อคําเขียนเดินสายเดินสายก็คือไปไปสอนธรรมะตามที่ต่างๆเราอาตมาก็มีโอกาสได้ไปที่พุทธมณฑล ตรงนั้นเป็นการเข้าคอร์สสามวันครั้งแรกนะหมายถึงว่าปฏิบัติตามรูปแบบครั้งแรกไปอยู่สามวันก็ปฏิบัติต่อเนื่องก็คิดว่าก็เหมือนเหมือนกับที่ที่ทางทางโยมมาที่วัดนี้คือปฏิบัติต่อเนื่องจริงๆเลยไม่ได้พักไม่ได้อะไรเราก็รู้ว่ามันเหนื่อยแต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทาให้เกิดผลที่เรารู้ได้ นะเรารู้ได้ทีนี้ปฏิบัติสามวันคือครูบาอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยคือท่านก็บอกว่าเบื้องต้นก็บอกว่าเออให้เรามีศรัทธานะให้เรามีศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านได้เรียนมาแล้วได้ฝึกฝนมาแล้วมันรับรองได้ ว, ว่าวิธีอย่างเงี้ยมันมันสามารถทําให้เราเนี่ยเออ่ทนทุกข์ได้อะไรเนี้ยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดมากขอให้เราเราทําทําตามรูปแบบทีนี้ก็ ประกอบกับว่าก่อนเข้าคอร์สเนี่ยเราลองทำมาบ้างแล้วซึ่งมันก็เห็นผลบ้างระดับหนึ่งเล็กๆทีนี้พอเราทำด้วยความศรัทธานะไม่ไม่คิดสงสัยทำครูบาอาจารย์บอกให้ทำยังไงเราก็ทำถ้านั่งก็นั่งยกมือตามรูปแบบนะถ้าเดินก็คือเดินแบบจงกลมเอ่อแล้วก็ถ้าเดินถ้านั่งถ้าถ้าอย่าง คือเหมือนเหมือนที่ที่เราสอนกันที่นี่ฮะโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยตรงนั้นก็ประทับใจอย่างหนึ่งว่าในระหว่างที่เรารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเราไม่คุยกับใครเราอยู่รถ อ, อยู่กับตัวเองเนี่ยเราตักอาหารไปมือก็ขยับไปเข้าปากมือมันก็เคลื่อนเข้ามาพอเข้าปากปากก็เคี้ยวไหวๆอยู่แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวดูอย่างเนี้ยซึ่งปกติทุกคนก็ทานอาหารกันอยู่แล้วเนาะก็เลย อาศัยว่าช่วงระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆไม่มีใครที่จะขี้เกียจเรื่องการรับประทานอาหารถูกไหมการยกมืออาจจะขี้เกียจการเดินอาจจะขี้เกียจแต่ว่าการรับประทานอาหารเนี่ย <t> คิดว่าไม่น่าจะมีใครที่เกียจรับประทานอาหารก็เลยอาศัยการรับประทานอาหารเนี่ยจุดตรงเนี้ยมาจเจริญสตินั่งเคี้ยวไปนั่งไหวมือไปขยับปากไปฟังเสียงไปดูภายในปากดูถึงรสชาติอาหาร จิตก็มีความตั้งมั่นกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะแล้วก็รวมถึงอริยาบทอื่นๆก็หมายความว่าพยายามฝึกสติกับการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทนะไม่ว่าอะไรก็ตามเดินยืนนั่งนอนคู้เหยียดรับประทานอาหารทุกขั้นตอนทำหมดนะแต่ว่าตอนเบื้องต้นเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราได้รู้อะไร แต่ที่รู้ด้วยแก่ใจที่สุดก็คือว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้คิดเรื่องงานนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการงานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาในในจิตเลยอ่ะเพราะจิตเรามันมีการตามรู้กายอยู่ทีนี้เราปฏิบัติกันระยะสามวันประมาณสามคืนสี่สี่วันหรือประมาณอย่างนี้ทีนี้พอมันเสร็จจาก การเข้าคอร์สเนี่ยระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพสิ่งที่เราแปลกใจก็คือสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมจากที่มันเคยเป็นนะนะก็คือระหว่างที่เรานั่งรถมาเนี่ยซึ่งกรุงเทพเราก็รู้อยู่ว่ามันจะมีรถติดมากโดยปกติเราอาจจะหงุดหงิดบ้างเห็นรถติดหรืออะไรก็ตามจิตมันไม่สงบมันหงุดหงิดมันอะไรหลายๆอย่างแต่พอออกจากการปฏิบัติเข้าคอร์สเนี่ยพอนั่งรถมาความรู้สึกมันจิตมันปกติ ปกติมากๆเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรใครจะคุยอะไรเนี่ยมันมีความปกติมากเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบได้ซึ่งมีความต่างจากเก่ามากนะต่างมากๆเลยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกในใจว่าโอ้เราได้ผลแล้วละเพราะเป้าหมายของเราคือเราไม่ต้องการที่จะคิดเรื่องงานนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราก็อตาตมาก็ มีความเพียรในเรื่องนี้นะมีความพอใจที่จะปฏิบัติตามตามไหนก็ตามที่เราไปเข้าคอร์สมาเราทำอย่างไรเรากลับบ้านเราก็ต้องทำอย่างนั้นก็ทำมาเรื่อยๆนะนี่ถ้าพูดถึงแล้วจากเข้าคอร์สครั้งแรกจนมาถึงเวลาตอนนี้น่าจะสิบกว่าปีไม่เคยหยุดการกรทำสักวันเดียวนะทำตามรูปแบบตอนเรื่องมาสิบกว่าปีทีนี้ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าระหว่างเราปฏิบัติไปอานิสงจากที่เราปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าเขาให้ผลมาจนเป็นที่พอใจกับเรามาเรื่อยๆนะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าผลจากการปฏิบัติแนวนี้มันจะให้ผลได้อย่างไรพอมันให้ผลมาเรื่อยๆอย่างเช่นนะยกตัวอย่างความคิดก็หยุดได้แล้วอารมณ์ฉุนเฉียวต่างๆมันก็เริ่มรู้เท่าทันกับ จิตใจตัวเองมากขึ้นความโกรธความชังความอิจฉาความอะไรก็ตามที่มันผุดขึ้นมาเราจะรู้เท่าทันมันขึ้นแล้วก็เราก็เริ่มที่จะแค่รู้มันเฉยมันให้ผลมากแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมีทั้งอแต่ไม่ไม่ใหญ่นะหมายถึงว่าเราอยู่อยู่ๆแล้วมันเกิดอะไรกระทบกระทั่งขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนตรงเนี้ยสติที่เราฝึกไว้มันก็จะให้ผล อย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุจากการล้มจั ก, กรยานจั ก, กรยานยนต์นะเนาะก็มันมีเรื่องเล่านิดหนึ่งว่าก็คือแมวที่บ้านนั่นแหละปกติลูกชายก็ชอบเลี้ยงแมวทีนี้เลี้ยงหลายตัวไอเราก็ไม่ไม่ชอบที่จะเลี้ยงเลี้ยงแมวเพราะว่ามันเป็นภาระอะไรต่างๆก็ก็เอาไปปล่อยแต่ว่าตอนปล่อยก็คือเราใส่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะมันมีตะกร้าอยู่แล้วก็ใส่ลังกระดาษ พอใส่ลังกระดาษเสร็จระหว่างขับรถเนี่ยจะไม่ได้ขับเร็วเนาะแมวมันก็โผล่โผล่หัวขึ้นมาทางปากกล่องกระดาษเราก็กลัวว่าถ้ามันโผล่มาแล้วมันวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเราวิ่งไปอย่างเงี้ยรอจะทับทับแมวระหว่างที่เราคิดเรื่องเรื่องนี้อยู่แมวก็โผล่แล้วก็วิ่งไปพอดีพอแมววิ่งออกไปเนี่ยเราก็เสียหลักก็มือเราปกติจับสองมือใช่ไหมพอแมววิ่งอีกมือขับอีกมือก็ไปจับแมวไว้รถก็เสียหลัก ระหว่างที่รถเสียหลักรถล้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดเจนเลยว่ารถมันจะล้มแล้วมันจะล้มอย่างไรนะมันจะล้มอย่างไรมันจะป้องกันตัวเองอย่างไรนะมันเห็นหมดเลยเห็นกระทั่งความคิดเล็กๆในจิตเราอ่ะมันเห็นหมดเลยว่ามันจะสั่งกายให้ลงท่าไหนอย่ังไงมันเห็นหมดแล้วขณะที่ล้มลงอย่างเนี้ยมันเป็นภาพถ้าพูดแล้วมันเป็นภาพสโลโมชั่น เหตุการณ์มันจริงคับคือมันเร็วถูกไหแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภายในจิตเนี่ยมันเป็นภาพขยับตึกตึกึกึกเป็นภาพสโลโมชันซึ่งเห็นหมดเลยพอจิตมันสั่งกายว่าให้ลงท่าไหนยังไงยังไงมันก็สั่งได้ทันนะแล้วก็ล้มอย่างนั้นอย่างนั้นพอล้มเสร็จปรากฏว่าจิตมันก็ไม่มีความตกใจแม้แต่นิดเดียวความใจสั่นก็ไม่มี หมายความว่าล้มกับไม่ล้มเนี่ยอาการในจิตนีมันเหมือนกันเลยมันไม่มีความตกใจไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เจ็บพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสร็จเนี้ยมันก็เกิดการระลึกถึงเอเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ทําความเพียรมาก็คือฝึกสติมาเราก็อนุโมทนาในใจบอกว่าโอ้ขออนุโมทนาสาธุกับตัวเองนะที่ได้มีความเพียรปฏิบัติธรรมแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าเออครูบาอาจารย์ได้สอนเรามาแล้วเราก็ปฏิบัติตามมันให้อนิสง์อย่างนี้ อย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์ท่าว่ากันแล้วก่อนเราปฏิบัติมันไม่เคยเห็นแบบนี้ก่อนไม่ปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องตกใจเหตุจบแล้วใจก็ยังสั่นยังตกใจยังอาจจะบางคนอาจจะอุทานออกมาก็ได้แต่อันนี้ใจปกติมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตกบันไดก็เคยมีมันก็คล้ายๆกันตกบันไดเนี่ยมันลื่นใช่ไหมตอนลื่นเสร็จมันตกมาเป็นขั้นขนัขั้นเนี่ยตกมาขั้นจิกๆๆๆ มันรู้แต่กายสัมผัสอย่างเดียวเป็นขณะเลยตุ๊บตุ๊บตุุ๊บุบ๊พอลงไปถึงพื้นข้างล่างเสร็จแล้วก็กลับมาดูจิตจิตก็ปกตินะจิตปกติไม่มีการาตกใจใจสั่นหรืออะไรปรกติมากแล้วมันก็นึกถึงหลวงพ่อเทียนอีกบอกขออนุเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเทียนที่ได้สอนเรามาว่ามันให้อนิสงอย่างนี้นะ พอเป็นอย่างเนี้เหมือนกับจริงๆแล้วมันเหตุการณ์หลายหนหลายครั้งมากที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยตั้งใจมาก่อนแล้วมันมีให้ผลพอให้ผลอย่างนี้ยความเขาเรียกว่าความพึงพอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีเทวีคูณเหมือนกันยิ่งให้ผลเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งมีความพึงพอใจเท่านั้นจนกระทั่งเราก็มีความเพียรไปตามลําดับนะแต่ดีอย่างว่าต่อตมามีความเพียรเนี่ยคือเขาเรียกว่าไม่ไม่หักโหมใช้คําว่าไม่หักโหม เหตุที่ไม่หักโหมเพราะว่าเราเพียนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าหยุดไปสองวันเพียนสามวันอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเพียนไปเรื่อยๆเพียนไปเรื่อยๆเพียนไปอย่างสบายๆความรู้สึกอย่างนั้นนะทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีความขยันทีนี้มันก็พอมีความขยันก็อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกอ่ะนั่งรถไปก็พลิกมือไปนั่ง อย่างอัตามาขับรถไปนั่งเคาะพวงมาลัยไปมือเนี่ยเคาะพวงมาลัยไปเคาะกระปุกเกียร์ไปกระดิกเท้าไปคือมันทำได้หมดอะขับรถแล้วก็ก็สบายคือเราปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเพ่งกับกายเพียงแต่ว่าเราทำถ้าความรู้สึกของอัตามาก็คือว่าทำให้มันหลวมๆเราต้องดูของเราว่าถ้าหลวมมากมันก็เผลอใช่ไหมฮะถ้าแน่นเกินไปมันก็ตึง เราก็ดูของเราได้ว่าทาแบบไหนที่มันสบายเราก็ทำวิธีนั้นเราก็ใช้มาตลอดแล้วมันมีใช้ได้ทุกผลทุกแห่งเลยเรื่องการฝึกสติเนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เอามาระยะหลังๆเนี่ยทำงานมันก็หนักขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะว่าต้องทำคดีที่มันใหญ่ๆนะคดีใหญ่ๆมากต้องใช้ความคิดเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเอาหมายถึงว่าเราเอาความเหนื่อยก็ดีความอะไรก็ดีเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์หมดเลย เช่นเราทำงานเหนื่อยมากเราก็รู้ถึงว่าเออตอนนี้เราเหนื่อยกายนะกายมันมีความเหนื่อยอยู่หรือว่าบางทีจิตพะวงกังวลข้างหน้าเราก็รู้ถึงว่าอาการของจิตมันกำลังมีความกังวลอยู่จิตสบายก็ดูจิตได้จิตสบายก็รู้สบายจิตไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายจิตวิตตกกังวลก็รู้หมายความว่าเราก็รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเรานะโดยเฉพาะดูใจเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยดูใจจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนบวชเนี่ยดูใจซะส่วนมากนะดูกายไม่ไม่เยอะแต่พอมาอยู่นี่เราก็ก็เห็นเขาอืเหมือนกับว่าถ้าดูกายมากๆมันทําให้จิตเราตั้งมั่นมากขึ้นก็เลยกลับมาทํากายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จิตก็โอเคเราก็มันมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นของมันเราก็ดูได้อยู่แล้วทีนี้เรื่องการดูจิตสมัยที่ทํางานเนี่ยเหตุการณ์ในชีวิตรประจําวันเนี่ยมันเยอะมากนะคืออาการในจิตเนี่ยมันแสดงออกให้รู้ได้ตลอดเวลาเลย อย่างเอากันง่ายๆเลยเนี่ยอย่างอย่างสมมุติในตรงนี้นะสมมุติในตรงนี้เนี่ยอย่างโยมเนี่ยเดินสวนทางกับพระเนี่ยถ้าลองสังเกตจิตจิตมันไม่เหมือนเดิมละตอนที่เราเดินคนเดียวจิตมันก็อย่างหนึ่งจิตปกติพอเดินสวนกับพระจิตมันก็มันไม่รู้เป็นยังไงแหละมันก็มีอาการของมันอยู่อาจจะเขินๆหรืออาจจะสํารวมมากขึ้นอาจจะบังคับตัวเองมากขึ้นพอเดินเลยไปเสร็จแล้วจิตก็ปกติอีกอะไรพวกนี้ หรือว่าตอนฉันรับประทานอาหารตอนกินข้าวอะไรต่างๆมันมีอาการในจิตเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะระหว่างการสนทนาคุยกันอาการในจิตมันก็แสดงขึ้นมาอย่างน้อยเช่นสมมุติว่าถ้าคุยถูกคอกันความเห็นตรงกันมันก็ถูกใจกันมีความสบายใจถ้าคุยกันความเห็นไม่ตรงกันอาจจะขัดใจกันมันก็รู้ว่าใจมีอาการขุ่นข้องละขัดข้องละรู้สึกไม่ชอบละมันก็เกิดขึ้นได้ นะอาการในจิตเนี่ยมันเยอะมากแต่ถ้าดูเป็นแล้วมันมันจะเบาแล้วงานนี้เป็นงานเบาเพราะว่าเป็นเพียงแต่ผู้ ด, ดูมันดูง่ายแต่ทีนี้อย่างเราเราก็ไม่รู้ว่าทางญาติโยมบางคนอาจจะเป็นคนเก่าหรืออาจจะใหม่อย่างไรเราไม่รู้นะเพราะงั้นก็ก็ดูตัวเองว่าควรจะยังไงนะแต่ว่าถ้าเบสิกที่นี่เขาเน้นดูกายคือดูกายเคลื่อนไหวดูกายที่มัน กระทบอะไรต่างๆให้มันเยอะเพื่อให้จิตเรามีกําลังเมื่อจิตมีกําลังแล้วเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็จะรู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายนะอย่างเรานั่งยกมืออย่างเงี้ยนั่งยกไปยกไปเดี๋ยวก็ใจลอยคิดถึงโ น, น่นเดี๋ยวมันก็นึกออกขึ้นมานึกออกคือระลึกขึ้นได้ว่าอ่าเผลอไปแล้วก็กลับมายกกายทําใหม่ทําไปทํามามือผิดจังหวะมันก็รู้ทําช้าทําเร็วมันก็รู้นะบางทีทําทํามือค้าง นึกขึ้นออกอามือค้างก็รู้เนี่ยสติมันก็เริ่มเกิดก็ช่วงนี้เวลามันก็สั้นๆก็คงคุยกันเท่านี้ก่อ น, น, นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความพยายามในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นล้วนแต่เป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ทาเราเลือกไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือดูมันแล้วก็ดูมันไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนก็จะเดินอนตุกคน